ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากขอแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็น่าจะขอให้มีกำลังใจมีธรรมะมีสติมีปัญญามีความเพียรที่จะเอาชนะประสัก์เอาชนะความยากลำบากให้เป็นสุขแม้กายจะทุกข์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 มันต้องมาแน่ๆไม่รู้เมื่อไหร่ก็น่าจะขอว่าขอให้เรามีสติมีปัญญามีความเพียรมีความอดทนนะที่จะสู้ที่จะฝ่าแล้วก็พ้นไปได้แม้กายจะเจ็บแม้กายจะป่วยแต่ว่าก็ใจขอให้ไม่ทุกข์ไปตามร่างกาย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 ไม่ประสบความพัดภาคสูญเสียไม่มีความทุกข์กายทุกใจอันนี้ก็เป็นไปได้ยากโดยเพราะทุกข์กายนี่มันต้องแน่นอนอยู่แล้วให้เราขอให้เราลึกถึงสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ประเสริฐกว่าคือธรรมะพอทระะมีธรรมะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดไปแต่มันทำอะไรเราไม่ได้มันทำได้แต่กายแต่ว่า ทำอะไรจิตใจของเราไม่ได้อันนี้ดีกว่าก็อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งคนบางคนนี่ก็มีความเจริญมีโชคมีลาบแต่ว่าใจมันทุกข์ูกหวยถูกลอตเตอรี่เป็นพันล้านแต่ว่าชีวิตนี่หาความสุขไม่ได้เลยถูกลอตเตอรี่พันสองร้อยล้าน ที่ประเทศอเมริกาเมื่อ6ปีที่แล้วเสร็จแล้วก็ผ่านไป5ปีปรากฏว่าผัวเมียก็ต้องแยกกันผัวก็ตายเพราะป่วยเนื่องจากกินเหล้ามากคือพอถูกวหวยแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรลวไม่ต้องทำงานเอาแต่ใช้เงินเอาแต่เที่ยวเอาแต่กินเหล้าจนต้องหยากันเมียในสุดก็ตายในบ้านหลังใหญ่ตายคนเดียว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 มีเมตตากรุณามีวิริยะความเพียรมีมิตรมีครูบาจาจารย์ความทุกข์มันจะถาโถมเข้ามาอย่างไรก็สู้ไหวนะสู้ไหวถึงเจ็บถึงป่วยถึงพิการอย่างอาจารย์กำพลเนี่ยคนที่จะทุกข์อย่างอาจารย์กำพลนะค ง, งหาได้ยากพิการตั้งแต่อายุ24ตั้งแต่คอลงมาหมดเลยอนาคต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 คนนี้นี่เขาเรียกว่าอายุตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่ง50ากว่าชีวิตนี้ลําบากลําบนตลอดและส่วนใหญ่ก็ลําบากเพราะคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่เพราะตัวเองเลยอย่างเช่นตอนอายุ2เดือนนี่ก็เป็นเด็กทารกนะพี่เลี้ยงก็ทําตกน้ําตกน้ําก็เกือบเจ้าตัวไม่รอดพี่เลี้ยงก็ไปช่วยไว้ได้ทันพออายุ8ปดขวบก็ ตกน้ำอีกนะสำลักน้ำนะแม่น้ำลำคลองนี่มันมีทั้งน้ำมันมีสิ่งสกปรกเข้าไปพ่อช่วยมาได้ทันแต่ว่าร่างกายก็แย่ป่วยเวลาเจอแดดร้อนๆก็เป็นลมเวลาร้องไห้มากๆก็เป็นลมคนนึกว่าสา อ, อิ๋พอโตขึ้นมาเรียนได้ปีสองแม่ก็ตายพ่อก็เลยทำใจไม่ได้ท้ายพ่อก็เลยป่วย พ่อป่วยแล้วทำไงอ่ะตัวเองก็ต้องลาออกจากโรงเรียนมาช่วยดูแลพ่อแล้วก็น้องๆ อ, อีกห้าคนแต่ก็ดูแลไม่ไหวนในสุดก็ต้องทิ้งบ้านขายบ้านต้องถูกไล่ออกจากบ้านไปต้องกระเสือกกระสนต้องลาออกจากโรงเรียนออกจากหมาหาวิทยาลัยต้องทามาหาเงินแล้วไม่กี่ปีต่อมาก็ปรากฏว่าเป็นเนื้องอกที่มดลูกเข้าโรงพยาบาลปอกว่าหมอก็ไปผ่าเอา ้างที่มันยังดีอยู่ให้ข้างที่เสียไม่ผ่าก็เลยต้องผามาอีกครั้งหนึ่งก็เลยหมดไปเลยพอหมดไปเลยมันก็ทำให้ขาดฮอร์โมนพอขาดฮอร์โมนเขาก็ทำให้เป็นโรค ก, กระดูกผุอา ย, ยุแค่ไม่กี่ปีกระดูกผุเหมือนคนแก่อ mm ่อนแอเจออะไรมากระทบแรงๆก็กระดูกหักแต่งานมีลูกลูกก็ไม่รู้คลอดท่ท่าไหนไปเอาครีมครี้ออกมาหัวก็เลย สมองกระทบกระเทือนลูกเลยพิการพิการนี่หมอ ก, ก็บอกว่าเ้าอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่ว่าก็อยู่ได้เลี้ยงดูลูกมาจนโตแต่เลี้ยงดูลูกไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาผัวบอกไม่ไหวแล้วบัลลับาเหลือเกินเขาอย่าดีกว่าให้ดูสิพ่อก็ตายแม่ก็ตายตัวเองก็ได้ลูกไม่สมประกอบผัวทิ้งว่าภาพร่างกายก็แย่หมอผ่พาก็ผ่าผิด ยังไม่จบนะแล้วราก็เจออีกหลายอย่างที่เจอบ่อยคืออุบัติเหตุรถจอดอยู่ดีๆที่สี่แยกก็มีมรถนะ ม, นะมาชนตรงสี่แยกนะลองคิดดูนะรถมาชนตรงสี่แยกท่านั้งที่จอดอยู่นะไฟแดงรถอื่นมันแหกโค้งมาชนคอนีก็แทกอย่างแรงกระดูกคอชิ้นส่วนกระดูกคอมันหักไปกดเส้นประสาทเป็นไงอัมาพาตเลย เส้นประสาทมันขาดต้องไปนอนโรงพยาบาลกระดิกกระเดี้ยไม่ได้หมอต้องเอาเข็มเนี่ยเอาเหล็กแหลมๆ ม, มาทิ่มที่กระโหลกเพื่อไม่ให้ขยับขยื่นเคยไปเยี่ยมคนที่มีสภาพแบบนี้อุณาสงสารมากเจ็บก็เจ็บขยื่นก็ขยื่นไม่ได้เพื่อนมาใครๆต่อมาก็ร้องห่มร้องไห้สงสารแต่เจ้าตัวนี้ก็เข้มแข็งในสุดก็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 แต่ว่าผู้หญิงคนนี้นี่เขาไม่ทุกข์เลยนะคนที่เจอแบบผู้หญิงคนนี้นี่โอ้ยปงจะรู้สึกว่าชีวิตนี้นะมันมีกรรมเหลือเกินถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือว่าสวยเจอแต่เรื่องลําบากมาตลอดและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่คนอื่นเขาทาทั้งนั้นอุบัติเหตุทั้งหลายเกิดขึ้นจากคนอื่นทั้งนั้นตัวเองไม่เคยขับรถเลยแต่ว่าโดนชนข้างหน้าบางข้างหลังบ้างเขาไม่เคย ท้อแท้เลยเวลาใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลำบากนะลองนึกถึงผู้หญิงคนนี้ดูอาจจะรู้สึกว่าโอ้เรานี้สบายกว่าเยอะและที่สำคัญคือว่าผู้หญิงคนนี้นี่าะไม่เคยเบิ่อน้อยเนื้อต่ำใจกลับเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับใครต่อใครได้ตังเยอะแยะตอนที่เขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลมีเหล็กแหลนปักไว้ที่หัวสองข้างเนี่ย ใครๆก็มาร้องไห้ร้องไห้แต่คนป่วยนี่แทนที่จะทุกข์ก็ต้องคอยปลอบใจคนที่มาเยี่ยมปล่อยปลอบใจคนที่มาเยี่ยมให้มีกำลังใจให้ ه, มันกลับกันนะแทนที่คนที่มาเยี่ยมจะปลอบใจคนป่วยคนป่วยต้องมาปลอบใจคนที่มาเยี่ยมสุดท้ายคนที่มาเยี่ยมนี่ก็ทำใจไม่เป็นทำใจไม่ถูกเขาก็เลยต้องสอนสมาธิให้กับคนที่มาเยี่ยม เขาบอกว่าเนี่ยถ้าผู้ที่มาเยี่ยมนี่ใจมันทุกบุญวายแล้วร้องโหมร้องไห้อะคนป่วยก็ขวัญเสียไปด้วยทางที่ดีก็ต้องช่วยให้คนที่มาเยี่ยมนี่เขามีใจสงบก็เลยฝึกสมาธิให้เออมันก็แปลกเนาะแต่ที่คนมาเยี่ยมนี่จะมาฝึกสมาธิสอนสมาธิให้คนป่วยเน่ะคนป่วยกับต้องมาสอนสมาธิให้คนมาเยี่ยมกำลังใจดีมากเนาะเวลาตอนที่โดนรถชน การเกียร์ทิมตับนี่แกก็ลุกขึ้นมาออกมาจากรถไปโทรศัพท์ถึงน้องสาวน้องสาวถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแกบอกไม่เป็นอะไรมากแค่ตับแตกอาตับแตกจริงด้วยเข้าโรงพยาบาลไปยกใหญ่เราลองงดูถ้าเราเป็นอย่างนี้บ้างเราจะทําอย่างไรบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เอาดีกว่าถ้าตัวตายดีกว่าเดี๋ยวต้องเจออีกแบบนี้อีเยอะแยะอันนี้ก็เพราะไม่มีธรรมะไม่มีสติแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ย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 เขาพร้อมที่จะเจอไม่ว่าจะมาอีท่าไหนก็จะสู้กับมันนะพอถือว่าความทุกข์นี้มันก็สอนให้คนเราเข้มแข็งพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมได้ก็เพราะเจอความทุกข์เจอความล้มเหลวแสวงหาธรรมะพ่านมาต้องหปีก็เพราะความผิดพลาดนี่แหละที่ทําให้บรรลุธรรมว่ามีเยอะเลยในสายพุทธการพวกที่บรรลุธรรมเพราะความทุกข์เนี่ย นางปตาจล า, านางกีสาโคตมีอัมมาตเคยเล่าให้ฟังอัมมาที่เศร้าใจนะนางกำนันที่เต้นลำลลยลำต้องมาตายต่อหน้าต่อ ต, อตานะเสียใจมากแต่พอพระพุทธเจ้าได้ชี้แนะนิดเดียวก็ปัญญาเกิดทันทีแล้วก็บรรลุทมได้อันนี้ลองเวลาเราทุกเนี่ยลองนึกถึงคนแบบผู้หญิงคนเนี้ยนะ เขาชื่อเขชื่อพราะโดยชื่อกเกษมสุขนะดูชีวิตของเขาแล้วมันไม่น่ากเกษมไม่น่าสุขเลยนะแต่ว่าใจเขากเกษมใจเขาก็สุขอันนี้มันแสดงว่าทุกข์หรือสุขนี่มันอยู่ที่ใจจะเจอเคราะห์ซ้ํากรรมซัดแค่ไหนแต่ถ้ามีธรรมะก็สามารถรักษาใจไม่ให้ทุกไปกับร่างกายใครจะทําอะไรกับเราเราก็ไม่ทุกขอันนี้ทําได้ ทุกหรือสุขมันอยู่ที่เรานะอยู่ที่ใจถ้าวางใจไม่เป็นใจนี่แหละที่มันจะทำอันตรายให้แก่เรายิ่งกว่าโจรยิ่งกว่าใครต่อใครซะอีกพระพุทธเจ้าตัดว่านี่ยไม่มีอะไรที่ทาร้ายเราได้มากกว่าใจที่วางไว้ผิดใจที่วางไว้ผิดคือใจที่มันไม่มีสติใจที่ไม่มีปัญญา มีความทุกข์แม้แต่เพียงนิดหน่อยก็เอาความทุกข์นั่นแหละมาทิมแทงตัวเองแม้แต่คำพูดซึ่งผ่านไปแล้วหลายวันก็ยังเก็บเอามาคิดเอามาคลุนแล้วคลุ่นคิดทีไรก็โกรธทุกข์แทนที่จะวางเปล่าไม่วางมันเหมือนกับคนที่มีเศษแก้วเศษกระจกอยู่ในมือ เศษกระจกอยู่ในมือเนี่ยนะมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ไปบีบมันนะลองนึกภาพตอนมีเศษกระจกแหลมๆอยู่อยู่ที่ฝ่ามือถ้าแบอย่างนั้นน่ยไม่เป็นอะไรแต่พอเราไปยึดไปบีบมันมันก็บาดนิ้วเราบาดมือเราจะไปโทษกระจกได้ไหมัมนโทษไม่ได้นะแต่ต้องไปโทษเราเองที่เราไปบีบมันทําไม คนเราเวลานี้ทุกกันเพราะอย่างนี้กันทั้งนั้นคือว่ามันมีความโกรธอยู่ในใจมีความท้อแท้มีความเศร้าความโศกอยู่ในใจถ้าไม่ทาอะไรกับมันนะมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ความโศกความทุกข์ความเศร้าเสียใจแต่พอไปยึดไปคล้องติดกับมันก็เหมือนกับเราไปบีบเศษแก้วเศษกระจกในมือไปกัมเอาไว้ ถ้าไม่อยากให้มันบาดเราก็อย่าไปกำเอาไว้แบออกซะถ้ามันทำอะไรเราไม่ได้และยิ่งถ้าความมือซะมันก็ตกลงมาแต่เรานี่ไม่ยอมคว่ำ ม, มือนะแล้วก็ไม่ยอมแบะมือด้วยยังไปกรำ ม, มันเอาไว้แล้วกำแน่นๆแล้วมันจะไม่บาดมือเราได้ยังไงลองดูเถอะนะไอ้ที่ทุกๆกันเนี่ยโดยเฉพาะทุกในใจเนี่ยเวลาเรานึกถึง คำด่าของเขานึกถึงคำพูดของเขาเราไม่ใช่นึกเปล่าๆ เ, เรากำลังจะบีบเรากำลังจะกำมือให้เศษแก้วนี่มันบาดมือเราแล้วทำไปเงี้ยเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติคนพอไม่รู้ตัวแล้วก็มันก็กำเอาไว้แน่นเหมือนกับลิงลิงที่มันถั่วอยู่ในกระบอกไม้ไผ่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 ออกไม่ได้มันก็ปีงขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็ถูกชาวบ้านจับจับเอาไปไหนไม่รู้เวลามันเห็นชาวบ้า น, นก็ตกใจตกใจก็จะดึงมือก็ดึงไม่ออกก็เลยรีบขึ้นต้นไม้ที่จริงมันเพียงแต่แบมือออกมันก็ดึงมือหลุดออกมาได้แล้วแล้วก็หนีไปได้แต่ทำไมมันไม่ยอมแบททำไมถึงกาเอาไว้มันลืมตัวมันตกใจ มันเล็กกรรมเอาไว้ทีแรกมันกรรมเพราะความโลภคนเราเวลาโลภแล้วเนี่ยมันก็หลงมันก็ลืมเวลาจะหลอกใครเนี่ยต้องรอให้เขาเกิดความโลภ ก, ก่อนพวกขลิยวสิบแปดมงกุฎนะจะมาหลอกเงินหชาวบ้านจะมาหลอกเงินพระก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าให้เงินเขาเดี๋ยวเ็าจะไปวิ่งเต้นเอาเงินมาให้อยากได้ทองอยากได้หวยอยากได้อยากได้อ ย, ไดอยากถูกลอตเตอรี่ถูหวยใต้ดินม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 อันนี้แหละหลอกกันง่ายๆบางทีก็หลอกพระว่าจะวิ่งเต้นหาเงินมาสร้างโบสถ์ให้10บล้านแต่ขอเงินสักสองสแสนไปวิ่งเต้นค่านอนรอนนั่งชาเจ้าหน้าที่กรมศาสนาสำนัก ง, งานพุทธศาสนาแห่งชาติก็เชื่อนะบางทีพระก็ให้ไปให้สมุดบัญชีไปเซ็นให้ต่างหากมันก็ไปเบิกเงินมนาะเป็นแสนเลยแล้วก็หายเข้ากริบเมฆบางทีพรรคเก่งๆเนี่ย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 เรากำความโกรธเอาไว้เรากำความทุกข์เอาไว้เรากำความเกลียดเอาไว้คำพูดของเขามันไม่ดีการกระทำของเขามันไม่ดีก็นายาปล่อยผ่านเลยไปไม่ปล่อยกำเอาไว้แล้วบีบเอาไว้กำนุ่นๆก็ทุกข์สิอย่าว่าแต่เศษกระจกเลยแม่แต่ก้อนหินนะก้อนหินที่ถ้าเรากำเอาไว้บีบเอาไว้นุ่นเนี่ยมกรปวดอย่าไปโทษก้อนหินอย่าไปโทษกระจกนะต้องโทษเราเอง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 ใจของเรานี่แหละที่มันไม่รู้ใจของเราที่มันไม่มีธรรมะไม่มีสติแล้วเราก็ชอบไปโทษคนโน้นโทษคนนี้เวลาเดินไปเตะก้อนหินเวลาเดินไปเตะน้ําก็ไปโทษน้ําไปโทษก้อนหินที่จริงมันต้องโทษตัวเราเองก้อนหินเขาก็วางไว้ตรงนั้นอย่างนั้นต้องนานแล้วน้ําก็อยู่ตรงนั้นมานานแล้วธรรมชาติเป็นอย่างนี้มาลานแล้วความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนที่เรียกว่อนิจจัง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 ว่าจางเราเป็นพอใจเราไปยึดไปอยากไม่อยากให้มันท่วมไม่อยากให้มันฝนแรงแล้วเราก็ทุกเองเพราะว่าธรรมชาติาไม่เป็นไปตามใจเราเพราะนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําหรือสร้างธรรมะให้ให้ขึ้นกับใจเราอะไรอะนี่มันก็พอสู้ไหวอะไรอะไรมันก็พออยู่ได้แล้วก็มินําซ้ําอาจจะใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วย